บรรยายพระวินัยนักธรรมชั a n t i n g มวลที่เจ็ดโดยพระอาจารย์ยุนีสันปูประโมุกสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกในพระวินัยในเรื่องของพระวินัยนักธรรมชั a n t i n g แต่วันนี้จะพูดถึงพระวินัยในการที่ห้าต่อจากครั้งที่แล้วในครั้งที่ห้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าหรือเรื่องของสังขารทิศทั้งสิ้น สังการิเศษทั้งหมดก็มี13ข้อก็จะได้ทบทวนก่อนที่จะได้พูดถึงสิขาบทที่9แห่งสังการทิเศษเพื่อได้กําหนดจดจําอีกครั้งหนึ่งอสังการิเศษสิขาบทที่หนึ่งนั้นพิสูุแกล้งทําให้น้ําอสุจิเคลื่อนต้องสังกาตทิเศษสิขาบทที่สองพิสูุนมีความกําหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องสังกาตทิเศษสามพิสูจน์มีความกําหนัดอยู่พูดเกี้ยวหญิงต้องสังการทิเศษ ที่พิฆูพิสุมีความกำหนัดอยู่พูดล่อให้หญิงบำเรอตนด้วยกามต้องสังฆาติเศษห้าพิสุชักสือให้ชายหญิงเป็นหัวเมียกันต้องสังฆาติเศษโบกพิสุสร้างตุดีที่ตองกอและโบกด้วยปูนหรือดินซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของจำเพาะเป็นที่อยู่ของตนต้องทำให้ได้ประมาณโดยยาวสิบสองคืบพระสุคตโดยกว้างเจ็ดคืบวัดในร่วมในและต้องให้สงแสแดงที่ให้ก่อน ถ้าไม่ให้สงแสดงที่ให้ก่อนก็ดีทําให้เกินประมาณก็ดีต้องสังฆาติเสษเจ็ดทาพิสุอถ้าก็ดีที่จะสร้างขึ้นนั้นมีทายกเป็นเจ้าของทําให้เกินประมาณนั้นได้แต่ต้องให้สงแ ส, สดงที่ให้ก่อนถ้าไม่ให้สงแ ส, สดงที่ให้ก่อนต้องสังฆาติเศษแปดพิสุโกรดเคืองแกล้งโจทย์พิสุอื่นด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูลต้องสังฆาติเศษ เก่าพิสุโกรธเคืองแกล้งหาเล่โจทย์พิสุอื่นด้วยอบัดปาราชิกต้องสังฆาติเศษเจ็ดพิสุภาคเพียนเพื่อจะทําลายสงให้แตกกันพิกสุอื่นถ้าไม่ฟังสงสวจกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาติเสษสิบเอ็ดพิสุประพฤติตามทพิสุผู้ทําลายสงนั้นพิสุอื่นถ้ามไม่ฟังสงสวจกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาติเศษ สิบสองพิสุว่ายากสอนยากภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละก็ต้องสังขารติเศสและสิบสามพิสุปุถุสไรสกูตคือรพระจบพระรหัสสงไส่เสียออกจากวัดกลับว่าติเดียนสงภิกษุอื่นห้าไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังขารติเศสนั้นมีสิบสามข้อด้วยกันในสิบสามข้อนั้นเราก็ได้เรียนมา ศึกษามาถึงข้อที่แปดคือข้อที่แปดนั้นก็พิสูุมีความโกรธเคืองแกล้งโจทพิสู์อื่นด้วยอบบต์ปาราชิกไม่มีมูลก็ต้องสังขารติเสธซึ่งในสิ่ข้าบทนี้ก็อธิบายไปให้ท่านทั้งหลายได้ เ, เข้าใจไปบ้างแล้วตามสมควรนี้คำว่าโจ์ไม่มีมูลคำว่าไม่มีมูลนั้นก็คือเรื่องที่ไม่ได้เห็นเองเรื่องที่ไม่มีใครบอกและก็เรื่องที่ไม่ได้สังเกียต โดยอาการของพิสูรรูปนั้นก็เรียก ว, ว่าไม่มีมมลส่วนมีมูลก็ตรงกันข้ามคือเป็นเรื่องที่ได้เห็นมาด้วยตนเองหรือไม่ได้เห็นแต่ว่ามีผู้บอกผู้บอกนั้นก็เป็นผู้ที่ควรเชื่อมีหลักฐานหรือไม่มีไม่เห็นเองไม่มีใครบอกแต่ว่าอาการของพิสูรรูปนั้นเป็นที่น่ารังเกียจเป็นที่น่ารังเกียคือ อประพฤติปฏิบัติไปในลักษณะที่เป็นเหตุให้อาจจะต้องอาบัตหรืออะไรทุนนองนั้นถ้ามีความประเกียจชนิดนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่มีมูลโจทย์ไม่มีมูลโจทย์อาบัตอโจทพิสูรเรืยองอาบั ต, บตปรารชิกไม่มีมูลก็ต้องสังขาริเศษทีนี้ถ้าโจทยดพิกสูรอื่นด้วยอาบั ต, บตสังขาริเศษไม่มีมูลก็เป็นอาบัตปาจิตตี แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ไม่เป็นอ บ, บัตอะไรีนลักษณะของการโจดนั้นท่านบอกว่ า, ามีลักษณะที่พอจะรู้ได้ว่าเป็นการโจดอยู่สีประการดดียกันประการที่หนึ่งก็คือเล่าถึงเรื่องที่ทำว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็แสดงว่าเป็นการโจดแล้วหรือระบุอมบบัตที่ต้องว่าต้องอมัดอะไร หรือด้วยการห้ามสังวาสคือห้ามร่วมอุโบส์ท่วมห้ามร่วมสังฆกรรมทุกประการอันนี้ก็เป็นการแสดงถึงลักษณะแห่งการโจทย์หรือว่าห้ามสามีจิกรรมคือไม่มีการแสดงความเคารพซึ่งกันและกันเชตุไม่ไหว้ไม่กราบหรือว่าไม่แสดงความเคารพอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะของการโจทย์ได้รู้ว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นก็คือเป็นการโจทย์ให้แล้ว นี้อาการที่ต้องอาบัตนั้นก็ได้กล่าวแล้ว่าอธิกรณ์ไม่มีมูลคือพิกูุ์โจดเองก็ดีสร้างให้คนอื่นโจดคนดีก็เป็นการโจดด้วยอาบัติปรารชิกด้วยอันนี้ต้องสังคารทิเสษนี้ถ้าหากว่าพิกูจ์ต่างก็ว่าโจดตามประสงค์ของผู้สั่งอันนี้ก็ต้องสังคารทิเศษเหมือนกันอธิกรณ์มีมูลไม่รุนแรงเทียงว่ามีมูลอันเทา โจดทำให้มั่นเข้าคือให้แรงขึ้นนั้ น, น, น, นก็เป็นสังขาริเรอกอดิกรณ์มีมูลเช่นได้เห็นจริงแต่คล้คคคายคลาดคลาก็สันนิษฐานลงไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ถนัดนักโจดทำให้มั่นเข้าว่าได้เห็นได้เห็นถนัดอย่างนั้นก็ท่านกบ็บอกว่าเป็นสังขารทิเสกเหมือนกันจำเลยเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือต้อบัตปารชิกแล้วแต่ว่าโจดสำคัญว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ และก็โจทย์ด้วยอธิกรไม่มีมูลอันนี้ก็ต้องสังขารพิเศษเหมือนกันนะงนั้นอาการที่ไม่เป็นอบัติในอันนี้ก็คือว่าจําเลยเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์แต่ว่าเข้าใจว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์โจทย์ตรงตามอาการที่ได้เห็นที่ได้ฟังหรือรังเกียจไม่อธิกรนั้นจะไม่เป็นเรื่องจริงเช่นโจทย์ตามที่ได้รับแจ้งความเท็จอย่างนี้เอ่าอันนี้ท่านบอกว่าไม่เป็นอ ბ ัต นี่เป็นสิขาบทที่แปดเกี่ยวกับเรื่องการโจดกล่าวหากันในเรื่องการละเมิดสิขาบทคือการตองอามันซึในเรื่องนี้ก็พระเมตติยะกับพระภูมิจักะได้กล่าวโจท์พระทัพพระมรบุตรเป็นต้นเหตุให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิขาบทนี้ขึ้นมาอทีนี้สิขาบทที่เก้าแห่งสังขารทิเสร็และความว่าพิสุโกรธเคืองแกล้งหาเล่โจทดพิสุอื่น ด้วยอาบัติปาราชิกต้องสังฆาทิเศนในสิขาบทนี้ก็ข้อความที่ควรกําหนดก็คือคําว่าเลสคําว่าเลสนั้นหมายถึงอะไรหรืว่าคําว่าหาเลสนั้นหมายความว่ายังไงอันนี้ก็บอกว่าอคําว่าหาเลสคือหาเลสในการโจดนั้นก็พ อ, อถือเอาโดยหลักอยู่สองประการ ที่ควรจะถือได้ก็คือถือเอ า, เ, อาเรื่องของสูอื่นเอามาใส่ก่อีกภิกษุรูปหนึ่งที่มีรูปร่างสันฐานเหมือนกันหรือมีชื่อเหมือนกันมีชื่อเหมือนกันมีรูปร่างสูงตำ่ำหรือได้กล่าวโจทย์ในลักษณะว่าได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งมีรูปร่างาสูงตำ่ำหรือได้เห็นคนมีผิวพรรณคล้าย กับปิกษุที่เป็นจำเลยนี้แล้ก็อ้างมาเป็นเหตุโจทย์ด้วยว่าได้เห็นหรือได้สงสัยหรือถือเอาชื่อเหมือนกันเช่นเจ้าของเรื่องมีชื่ อ, อเหมือนการเข้าได้ฟังคําบอกเล่าว่าคนชื่อเดียวกันกับจำเลยทําอย่างนั้นอย่างนั้นก็เก็บเอามาอ้างนะเป็นเหตุกับาหาความโจทย์จำเลยด้วยได้ฟังหรือได้สงสัย ถือถือเอาเลแขแห่งอธิกรณ์เป็นเรื่องของจำเลยแต่ว่ า, เ, าเป็นเรื่องที่ไม่ไม่หนักหนักเช่นรู้ว่าจำเลยนั้นประพฤติล่วงสิค้าบทบางข้อแต่ไม่ถึงกับเป็นปาราชิกอผู้โจทย์โจทย์ให้แรงขึ้นคือแรงถึงปาราชิกอย่างนี้ก็ย่อมจะไม่พ้นจากการเป็นอบัติทางการพิเศษเหมือนกันนั้นอธิกรณ์ที่เป็นเลขในที่นี้ก็คือเรื่องของผู้อื่นกับเรื่องของจำเลยเอง เรื่องของผู้อื่นก็ได้กล่าวแล้วว่าเป็นเรื่องของผู้อื่นแล้วก็เอามาใส่ที่สุอีกรูปหนึ่งที่มีรูปร่างรูปบ้างสัมผานสิ่วพันธุ์ตลอดถึงมีชื่ออย่างเดียวกันแล้วก็เรื่องของจำเลยนั้นหมายถึงว่าเรื่องของจำเลยทําผิดสิศีาบทร่วงพุทธบัญญัติแต่เป็นการล่วงที่ไม่รุนแรงถึงปาราชิกเป็นวันร่วงเป็นปาจิตีหรือร่วงเป็นสังคาธิเสษแต่ว่าโจทด์ก็มาโจดให้แรงถึงปาราชิกอย่างนี้ ดันั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเข้าใจในการที่เราจะทําอย่างไรที่จะไม่เป็นไปเพื่อให้ต้องอบัตในข้อนี้ว่าเราอยู่ร่วมกันนี่ก็จะต้องอาศัยการยึดมั่นในหลักพระวินัยเป็นหลักในการปฏิบัติทํำมาอย่างนั้นแล้วก็ไปอยู่ร่วมกันไม่เกิดความผาสุกอะไรนี่เป็นข้อที่เก้าก็จะไม่พูดถึงรายละเอียดมากนะัก เพราะว่าถ้าพูดถึงละเอียดแล้วก็จะต้องใช้เวลานานพอสมควรนี่เราก็มาศึกษาในสิขาบทที่สิบต่อไปในสิขาบทที่สิบแห่งสังฆาธิเศษนั้นก็คือภิกษุภาคเพียนเพื่อจะทำลายสงฆ์ให้แตกกันภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาติเศษใน อสิขาบทนี้ข้อความที่ควรกำหนดก็คือว่าคำว่าสงในที่นี้หมายเอาแค่ไหนสงในที่นี้ก็หมายเอาพิกษุทั้งหมู่ที่อยู่พร้อมเพรียงกันก็ตั้งแต่สีรูปขึ้นไปที่อยู่พร้อมเพรียงกันมีสังวาสเสมอกันและก็อยู่ในสีมาเดียวกันเรื่องของสีมานั้นเป็นเรื่องอที่จะต้องศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ แต่ว่าเรื่องของสีมานั้นจะไปอยู่ในหลักสูตรของนักธรรมชั้นเอกส่วนนักธรรมชั้นตรีนั้นเราก็ายังไม่จําเป็นต้องรู้โดยละเอียดแต่ว่าสีมานั้นก็คือเขตแดนที่ทรงอนุญาตให้พิกษุน์ประชุมพร้อมกันในที่เช่นนั้นในการทําสังค ก, กรรมออย่างใหญ่สีมาอย่างใหญ่นั้นท่านกําหนดไว้ไม่เกินสามร้อยโยชน์ อย่างใหญ่อย่างเล็กนั้นก็ไม่เล็กจนเกินไปพอบรรจุภิสูุน์ยสิบเอกรูปได้ก็เพราะว่าภิสูุน์ยี่สิบเอกรูปนั้นอาสามารถทําสังฆกรรมชนิดหนึ่งซึ่งเรียกกันว่าอภานกรรมถ้าหากว่าเลขกว่านั้นก็ทําไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้นั้นถ้าภิสูุได้อยู่ในสีมาเดียวกันอย่างนี้ชื่อว่าภิกษุนั้นแอบประสงค์นั้นมีความพร้อมเปลียงกันนั้นสงก็จึงหมายเอาภิกษุที่อยู่ในสีมาเดียวกันมีสังวาสเสมอการมีความพร้อมเพรียงกัน ในพิสษุน์ภาคเพียนคำว่าภาคเพียนเพื่อทำลายสงนั้นก็คือการขวนขวายเพื่อจะให้แตกเป็นกกเป็นเหล่าจนถึงเป็นสังวาสต่างการเวียหวันนานม า, า, าสังวาสคือไม่ร่วมอุโบโสถไม่ร่วมสังฆ ก, กรรมกันนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ก็เคยเกิดมีในครั้งพุทธกาลโดยพระเทวทัตพระใจบาป ได้พยายามหลายครั้งหลายประการในการที่จะปกครองสองเองคือพูดง่ายๆก็คือต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าเองแต่ก็ได้ทําบาปหลายอย่างเช่นได้ยุโยงให้พระเจ้าอาชารย์ศัตรูได้ฆ่าพระเจ้าพิพิษารผู้เป็นพระราชบิดาของพระเจ้าศัตรูเองก็มีหรือพยายามในการที่จะปลงพระชนประชนชนีพของพระพุทธเจ้าหลายครั้งเห่นได้ยุโยงให้พระเจ้าอาจารยศัตรูนั้น ลอยช้างมาเพื่อทำลายพระพุทธเจ้าและก็กลิ้งหินลงมาพระเทวทานก็กลิ้งหินลงมาเพื่อให้ทาพระพุทธเจ้าเป็นต้นหลายครั้งก็ไม่สำเร็จและก็ตอนสุดท้ายเลยทีเดียวก็ได้เสนอวัตถุห้าประการมาให้พระพุทธองค์ทรงรับถ้าไม่รับก็จ ะ, ะถือเอา สิ่งที่พระองค์ไม่รับปฏิเสธนั้นแหละไปกล่าวไปโฆษณาไปโจมตีด้วยประการต่างๆซึ่งก็เกิดมีขึ้ น, นวัดตุกหาประการที่เสนอมาก็คือให้ภิกษุสองหลายเนี่ยอยู่ป่าเป็นวัดจะเข้าบ้านไม่ได้เลยหรือว่ า, อ, าอยู่โคนไม้เป็นวัดวจะอยู่กุฏิไม่ได้แต่ก็บินสบัดเป็นวัดรับนิมนต์ไม่ได้ชั้นเนื้ อ, อชั้นปลาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น นั้นก็พระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธไม่รับเพราะว่าการเสนอมานั้นไม่ใช่เสนอมาด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แต่เป็นการเสนอมารู้อยู่แล้วว่าพระองค์จะไม่รับอย่างไรพระองค์ก็ไม่รับพระเทวทัตก็อาศัยเหตุนี้ไปโฆษณาหรือไปกล่าวโจมตีด้วยประการต่างๆแยกภิกษุที่เป็นฝ่ายตนเข้าไปเป็นนาน า, นาสังวาสขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเหตุให้พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทที่สิบอันนี้ขึ้นมาว่าปภิกษุใดพาดเพียนเพื่อทําลายสงฆ์ที่มีความพรลิมเพรียงให้เกิดการแตกกัน ก็เป็นอวบสังขารพิเศษนั้นอธิกรใน เ, เรื่องนี้ที่เป็นเหตุแต่กันนั้นก็คือการกล่าวเทียงกันในเรื่องของกองพระธรรมวินยัยเรียก ว, ว่าอัถาระอัศพิทักระวัตถุคือเรื่องที่ทําความแตกกันสิบแปดประการที่กล่าวเทียงกันว่านี่เป็นธรรมนี่ไม่เป็นธรรมเถียงกันว่านี่เป็นวินยัยนี่ไม่เป็นวินยัยเทียงกันว่าอ่า นี่พระตถาคตเคยประพฤติปฏิบัติมานี่ไม่เคยปฏิบัติมาเทียงกันว่านี่สริงเอที่พระตถาคตทรงฟาสิตไว้อันนี้พตถาคตไม่ได้ทรงฟาสิทไว้หรือว่าเทียงกันว่านี่สริงที่พระตถาคตบัญญัติไว้อันนี้ไม่ได้บัญญัติไว้เทียงกันว่านี่เป็นอวบนี่ไม่เป็นอวบเทียงกันว่านี่เป็นอาบัติเบานี่เป็นอาบัตหนักเทียงกันว่านี่เป็นอวบมีส่วนเหลืออันนี้เป็นอวบที่ไม่มีส่วนเหลือเทียงกันว่านี่เป็น อาบัตอยาบคายนี่อาบัตเป็นอาบัติไม่อยากขายรวมเป็นสิบแปดประการเรียกว่าเรื่องทาความแตกการสิบแปดประการเป็นเหตุให้เกิดการแตกแยกเอเรียกว่าภาคเพียรด้วยอาศัยไม่ยอมใครอาศัยเรื่องของพระธรรมวินัยมาเป็นเหตุการเพียงกันแล้วก็แตกแยกแย ก, กันนี่ดังนั้นเมื่อเรื่องเกิดการที่พยายามทําลายให้เกิดการแตกกันหรือทําสังกัดเภศอย่างนี้เกิดขึ้น ท่านกล่าวว่าเป็นเช่นนี้แล้วก็ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องช่วยกันในการที่จะทําอย่างไรจรึงจะไม่ให้พิกษุ์เหล่านั้นอ่ามีการกระทําเช่นนั้นขึ้นท่านก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของพิสูจนผู้รู้เห็นจะต้องห้ามปรามถ้าห้ามปรามถ้าไม่ห้ามปรามแล้วก็เป็นอบัติทุกบทด้วยคือเมื่อเห็นพิสูจนีภาคเพียนเพื่อทําลายสงด้วยวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เห็นแล้วก็ต้องตักเตือนหรือห้ามปรามเสีย ถ้าเห็นแล้ววางเฉยเห็นแล้วเฉยเนี่ยเป็นอบัตทุกกฎด้วยหรือว่าถ้าห้ามแล้วไม่ฟังก็พึงนำตัวมาท้ำกลางสงว่ากล่าวตักดตือนอีกสามครั้งถ้ายังขืนอยู่อันนี้ก็ทรงอนุญาตให้สวดสมัมมอภพุพาคือสวดประกาศห้ามด้วยยติคือด้วยอนัตของสง์ด้วยยติจตุสกรรมวาจา อันถ้าพิสูุผู้เป็นตัวการสละเสียได้ในคราวแรกๆนี้ก็ท่านบอกว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่สละแล้วก็เป็นอบัตทุกข์ทุกคราวจนกระทั่งว่าถึงสวดอนุสาวรณาเี่นสวดยัติครั้งที่หนึ่งในการที่จะสวดยัติเจตุกรรมเนี่ยสวดยะติครั้งที่หนึ่งจบเป็นทุกข์แล้พอสวดอนุสาวราครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองจบแล้วยังไม่ยอมเชื่อคือไม่ยอมที่จะประพฤติปฏิบัติตาม เป็นทุรย์ใจเมื่อสวดอนุสาวรนาครั้งที่สามจบไม่ฟังไม่เชื่อเป็นสังขาริเศตหรือเพื่อจําง่ายๆว่าตักเตือนแรกๆนี้ไม่ฟังเป็นทุกกฎทุกคราวสวดยติสวด ย, ต, ดยติจตุตกรรมเริ่มตั้งยันติจบไม่ฟังเป็นทุกกฎสวดอนุสาวรนาครั้งที่หนึ่งที่สองไม่ฟังเป็นทุรย์ใจ และก็สวรวงศาสนาครั้งที่สามจบไม่เชื่อฟังไม่ยอมปฏิบัติตามเป็นสังขารทิเศตและก็กรรมนี้นะท่านบอกว่าในกรรมเป็นธรรมนั่นเข้าใจถูกก็ดีหรือแคลงอยู่ก็ตามเข้าใจผิดก็ดีไม่สละเป็นสังขาริเศตเหมือนกันคือว่ากรรมไี่ทําถูกต้องแล้วภิกษุนั้นจะเข้าใจถูกหรือสงสัยก็ตามทีหรือเข้าใจผิดก็ตามไม่สละแล้วก็เป็นสังขารทิเศตเหมือนกัน นั้นในในเอสังขารที่เศษ13ข้อนั้นข้อที่เลวที่สุดหรือมีโทษหนักในด้านพระวินัยและก็เลวกว่าสิ่ขาบทอื่นก็คือสิ่ขาบที่สิทธิที่ว่าเลวกว่าก็เพราะว่าเป็นการทําลายผู้ที่อยู่พร้อมเปลียงการให้เกิดการแตกแยกกันเป็นสังกัดเพศนอกจากเป็นอาวัตสังขารทีเศษแล้วก็ยังเป็นสังกัดเพศเป็นอนันตฤกษกรรม พฤตกรรมอันหนักอีกบุตรประการหนึ่งนั้นเตืนยังบอกว่าการทําลายสองให้แตกกันนั้นเป็นการกระทําที่เลวที่สุดกว่าสิขาบทอื่นๆในสังก า, า, าิที่เศษสาสิขาบทนี้ เ, เป็นเป็นอจิตตกะก็บอกเป็นอจิตกะไม่ไม่เจตนาก็ ก, ก็ปรับอบัติได้เหมือนกันเช่นในกรรมไม่เป็นธรรมท่านว่าเป็นอบัติทุกกฎคือเป็นอจิตตกะในสิขาบทนี้ต่อไปก็เป็นสิขาบทที่สิบเอ็ดในสังการิเศษ อาศิขาบทที่สิบเอ็ดนั้นก็คือพิกษุผู้ประพฤติตามพิสุผู้ทํำลายสงนั้นอาภิกษุอื่นถ้าไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละก็ต้องสังขารทิสติอาสิขาบทนี้ก็ก็คล้ายๆกับสิขาบทที่สิบแต่ว่าสิขาบทที่สิบเอ็ดนี้เป็นการประพฤติตามนะ พระพุติตามก็จึงต้องถูกลงโทษตามที่ตามในสิกขาบทที่สิบไปด้วยแต่ว่าการสวดสมัมมาโนพาตหรือว่าสงสวดกรรมนั้นก็มีการอธิบายที่แยกแยะเอาไปอีกนิดหนึ่งที่ต่างกันก็คือว่าภิกสุที่พระพุติตามนั้นไม่ใช่องค์เดียวหลายองสองหนึ่งองบ้างสององบ้างสามองบ้างซึ่งในบาลีกล่าวไวอย่างนั้นถ้าเกิดมีหลายองอย่างนี้ท่านให้แยกสวดไม่ให้สวด พร้อมกันตั้งแต่สีรูปขึ้นไปคือให้สวดคราวและสองรูปหรือสามรูปก็ได้ห้ามไม่ให้สวดยิ่งกว่านั้นอที่ห้ามไม่ให้สวดยิ่งปกว่านั้นก็เพราะว่าที่สวดตั้งแต่สีรูปขึ้นไปนักจัดว่าเป็นสงเหมือนกันสงฝ่ายหนึ่งจะทําสงาทํากรรมแก่สงอีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่ชอบด้วยเอแผนพระบิดายฉะนั้นก็จะสวดก็ต้องแยกสวดสองรูปหรือสามรูปก็ได้แต่จะสวด แก่ิสุสีู่ปด้วยกันคือสองฆ์ทำกรรมแก่สงฆ์นั้นไม่ชอบด้ยวยพระบิ น, นัยนั้นนี่ก็คือวิธีการลงโทษพิสูจที่ประพฤติตามก็เมื่อห้ามปรามในต้นต้ น, ตนไม่ฟังก็เป็นตัวกดมาตลอดเหมือนกันและก็เมื่อสองสวดกรรมโดยตั้งยติขึ้นแล้วจบจบหนึ่งไม่ฟังเป็นทุกกฎสวดอุ ส, วสววาวราครั้งที่หนึ่งที่สองไม่ยอมก็เป็นตุวจ่าย ส่วนอนุสาวรนาครั้งที่สามจบไม่ยอมปฏิบัติตามคือไม่เชื่อฟังก็เป็นสังขาติเศษเหมือนกันในในข้อสิบเอ็ดนี้ทีนี้ข้อที่สิบสองความว่าพิโสว่ายากิสนญาพิโสอื่นถ้าไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละก็ต้องสังขาติเศษ พระพิสุว่ายากสอนยากในสิกขาบทนี้นั้นหมายถึงอย่างไรอักตริยาที่ว่ายากสอนยากนั้นก็หมายถึงการว่ายากสอนยากในสิกขาบททั้งหลายก็คือกล่าวตัดือนในเรื่องของสิกขาบทพุทธบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติเอาไว้และก็พิกษุนี้มักจะไม่เห็นโทษแห่งความประพฤติผิดในสิกขาบททั้งหลายแม้จะมีพิสุอื่นว่ากล่าวก็ไม่เชื่อฟัง กลับตัดพ้อต่อว่าอีกพิสุเช่นนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ว่ายากสอนญาต ก, ก็มีพุทธภานุญาตให้สงฆ์ลงโทษแก่พิสุเหล่านั้นว่ายากสอนญาตเป็นผู้ประพฤติทำตนเป็นคนหัวดือ้อถือทิฏฐิมานะไม่รับความคำสั่งสอนในทางศิลธาบทหรือว่าเรื่องด้วยอุเทศก็าตามจากเพื่อนพสมจั ทำตนเป็นคนออันใครๆว่ากล่าวไม่ได้กลับโต้แย้งด้วยประการต่างๆมาพวกท่านอย่าได้มาักเตือนขกับเจ้าเลยเพิสูจน์ที่พูดพิสูจน์ที่เห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นพิสูจว่ายากสอนยากดังที่ได้กล่าวอาฉะนั้นเมื่อพิสูจว่ายากสอนยากอย่างนี้ก็ก็ส่งอนุญาตให้มีการลงโทษลงโทษก็คือการสวดกรรม นะสวดกรรมเหมือนกับสิขาบทที่สิบสิบเอ็ดนั้นกันแต่ว่าการสวดแก่พิสุผู้ว่ายากสอนยากนั้นก็เอไม่ได้หมายถึงพิสุหลายรูปพิสุรูปใดรูปหนึ่งนะที่ว่ายากสอนยากก็ให้ลงโทษแก่พิสุเหล่านั้นการประบะบาบอวบัติเหมือนกันดังที่ได้กล่าวแล้วในสิขาบทที่สิบสิบเอ็ดจะเป็นพิสุว่ายากสอนยากก็พิสุว่ายากสอนยากนั้นในต้นบัญญัติก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพระฉันนะอซึ่งก็เคย เป็นอาออ ม, มาตย์ในพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระสิท ธ, ธาคุมายงเหมือนกันเป็นพระฉันน่ะซึ่งเป็นวายาศสอนยาสิกขาบทที่สิบสามซึ่งเป็นสิกขาบทสุดท้ายในสังฆาศิเศษเซึ่งกล่าวว่าทิกสุปทุศร้ายตระกูลคือประจบกระหัดสงไล่เสียออกจากวัดกลับว่าติเตียนสง ภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังขารติเศษที น, นี้คําว่าปัทุสไรสกรูนั้นหมายถึงอย่างไรอันนี้ก็เป็นข้อที่เราควรกําหนดว่าคําว่าปัทุสไรสกรูนั้นคืออะไรคําว่าปัทุสไรสกรูลนั้นหมายความว่าเป็นผู้ประจบฆรห์ดด้วยกิริยาที่ทําตนอย่างฆรห์ดยอมตนให้เขาใช้สอย หรือด้วยอาการเอาเปรียบโดยเชิงเช่นให้สิ่งของเล็กน้อยเพื่อหวังได้มากทำอย่างนี้เรียกว่าปัทุสร้ายส ก, กุลเพราะทาใหเ้เขาเสียศรัทธาเลื่อมใสอันเป็นมูลแห่งกุศล ส, สมบัตินั้นปัทุสร้ายสกุลก็จึงเป็นโมหานอย่างหนึ่งนะเป็นโมหานอย่างหนึ่งใช้อยู่ในหมู่ภิกษุไม่ได้หมายถึงการ ที่โกรธครึ่งจองล้างจองผานหรือทําร้ายร่างกายหรือทําให้เสียทรัพย์ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นแต่หมายถึงการประจบคารหาเขาทําต้นอย่างกระคารหัโยมตันในเขาใช้ซ้อนหรือด้วยอาการเอาเปรียบโดยเชิงเช่นให้สิ่งของเล็กน้อยเพื่อหวังได้มากอย่างนี้เรียกว่าเป อ, อรัตุสายตระกูลอันนี้ก็เพิ่งจาไว้จะไปเข้าใจว่า่ะไปทําให้เขาต้อง เ, ออเสียหายอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นการประจบคารหัา กนะ็เคยมีพระอัสสชิกับพระปุณหปะปะพระสุกะเนี่ยก็เป็นผู้ที่ต้นบัญญัติในสิกขาบทนี้โดยการประชมุมกับรหัสด้วประการต่างๆเนะี่ยลึระการต่าง ๆ, ๆที่ทำให้ครหัสนั้นก็เกิดาการคบกันเหมือนกับเพื่อนธรรม ด, ดาและก็คบกันโดยไม่ได้มีความสรัทาเลื่อมใสอะไรและก็ซ้ำกันนั้นการไปคบไปใกล้ชิดหรือว่า ไปให้สิ่งของเล็กน้อยซึ่งในพระวินัยนี้ก็อธิบายไว้หลายอย่างด้วยกันเช่นไปเห็นหญิงในสกุลหรือเป็นลูกสาวของเขาอยู่ในสกุลเนี่ยก็โดยความที่ไปชอบไปสนใจก็จึงได้นาสิ่งเล็กสิ่งน้อยไปให้ในตระกูลนั้นก็เพื่อให้มีความประสงค์อย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยวกับลูกสาวก็มีอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เป็นการกระทที่ไม่ชอบ ไม่ใช่เป็นเรื่องของสมณะไม่ใช่เรื่องของพระแม้แต่การประพฤติเลวสามอย่างอื่นเมื่อเข้าไปสู่สกุลเช่นนั้นก็เช่นการประพฤืช อ, อนาจารประพฤตินอกรีดนอกรอยของสมณะเดินไปสูงสิงกับหญิงสาวในสกุลนั้นที่กล่าวเล่นการพ น, นันเล่นสุกซน ต, ต่างๆเต่นขนองร้องราทําเพลงพิสูจประพฤติเช่นนี้เรียกว่าประพุืชเจ้าท่านทรงอนุญาตให้ทําปัปาชินิีกรรม คือไล่ออกเสียจากวัดไม่ให้อยู่ในวัดต่อไปอันนี้ฉะนั้นก็เมื่อไล่ออกไปจากวัดแล้วภิกษุนั้นกลับติเตียนสงฆ์ที่ไล่ออกไปอย่างนี้ห้ามไม่ฟังอย่างนี้ก็ต้องสงสูตรกรรมเพื่อให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้ า, าละได้ก็ดีถ้าละไม่ได้ก็เป็นสังขารติเศษอันนี้ก็พึ้นเข้าใจในข้อที่ว่าปรุตูสลายสกูลนั้นคืออย่างไร สังกาทิเศษทั้งหมดก็มีสิบสามข้อดิบมีสิบสามข้อและก็พอสรุปได้ว่าสังกาทิเศษสิบสามข้อนั้นเก้าสิขาบทเบื้องต้นนั้นเป็นอบั ต, ติแรกทำเรียกกันว่าปัตมาปฏิกะสี่สิขาบทข้างใต้นั้นต้องอบัติก็เมื่อสงประกาศห้ามครบสามครั้งเรียกว่ายาวัตติยะกะหรือพูดง่ายๆว่าสังกาทิเศษทั้งสามเมื่ อ, อ, อทั้งสิบสามนั้นเมื่อย่อลงมาก็มีสองคืออปัตถมาปฏิกะ คือต้องอบัตในขณะแรกทำเก้าสิขาบทเบื้องต้นและก็ยาวัตติยากาต้องอบัตเมื่อสองสวดกลามครบสี่ว่าครบสามาระแล้วได้แก่สิขาบทเบืงปลายสี่สิขาบทเด็ดขาดนี่เป็นเรื่องของอบัตังาพิเศษที่เราจะต้องกําหนดจดจาเอาไว้สําหรับวันนี้ก็เวลาก็หมดลงแล้วก็ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านทั้งหลายที่กําลังศึกษาธรรมเช่นตรีอยู่ทุกๆท่าน สวครับวันนี้ก็มาพบกันอีกในเรื่องของพระวินัยอคราวที่แล้วก็ได้พูดถึงพระวินัยในการที่ห้าก็คือเกี่ยวกับสังขาริเศษทั้งสิบสามข้อก็ได้พูดถึงข้อสุดท้ายคือข้อที่สิบสามว่าด้วยการประทุศราตระกูลทีนี้ก็สังขาริเศษทั้งสิบสามข้อเนี่ยอพิศลุ่วมละเมิดแล้วข้อใดข้อหนึ่ง ก็เป็นอาบัต์ทางนั้นนะ่ะเป็นอาบัติทางนั้นไม่ใช่จะร่วงละเมิดทั้งสิบสามข้อจริงเป็นอาบัต์ข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นอาบัต์ทางนั้นนะ่ะนั้นเมื่อเป็นอาบัติต้องอาบัต์ตังคาธิเศษเข้าเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจเพราะว่าอาบัตสั้งคาธิเศษนั้นเป็นอาบัต์ที่แก้ไขได้แต่ก็แก้ไขได้โดยการประพฤติธรรมาน ตนตามสมควรตามพระยิ น, นัยที่ได้บัญญัติเอาไว้เมื่อต้องอภัตสังฆาสิเสตข้อใดข้อหนึ่งหรือรู้ว่าต้องอภัตแล้วก็ทางที่จะแก้ให้ง่ายขึ้นก็คือให้รีบบอกภิกษุรูปใดรูปเกึื่อเสียหรือบอกสงให้ทราบว่าต้องอภัตอย่างนั้นต้องอภัตอย่างนี้แล้วก็เมื่อมีโอกาสเมื่อไหร่ก็จะได้ประพฤติมุติฐานวิธี อย่างนี้ก็เป็นการที่ดีเพราะว่าเราไม่ได้ปกปิดต้องแล้วให้รีบบอกทันทีไม่ให้ล่วงคืนไปนะําให้ล่วงคืนไปไม่เชื่อว่าเป็นการปกปิดเมื่อไม่มีการปกปิดเช่นนี้ได้โอกาสเมื่อไหร่ในการที่จะอยู่ประพฤติปฏิบัติพุทธานุวิชีก็พึงเข้าไปเข้าไปสู่สงในสีมา นะอย่างน้อยจากตัวสี่รูปนะเข้าไปขอมานัตต่อสงเมื่อสงให้มานัตแล้วก็พึงประพฤติปฏิบัติอยู่มานัตอีกหกราตรีเป็นอย่างน้อยเรียกว่าชาระตังมานัตตังนะหกราตรีเป็นอย่างน้อยโดยเคร่งครัดและรักษาวัดของมานัตตะจาริกวัดให้สมบูรณ์ เมื่อประพฤติปฏิบัติครบตามกำหนดแล้วก็จึงขออภ า, านต่อสงฆ์สงฆ์ที่จะพึงให้อภาร์ น, นั้นต้องเป็นสงฆ์วีสติวัตรคือยี่สิบรูปขึ้นไปในะยี่สิบรูปขึ้นไปจะมากเท่าไหรไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าต่างกว่ายีสบหรยี่สบรูปนั้นจึงจะพ้นจากอาบัติสังขารติเศษนั้นได้แต่ถ้าหากว่าต้องอาบัติสังการติเศษแล้วปกปิดไว้นะัะปกปิดไว้ ไม่บอกใครอย่างนี้อันนี้ก็จะต้องอยู่ปริวาตรรับใช้วันที่ปกปิดนี่ลักษณะของการปกปิดหนึ่งท่านแสดงไว้ถึงห้าคู่หรือสิบอย่างแสดงไว้เห็นว่าเป็นอาบั ต, ติรู้ว่าเป็นปกกาตตะรู้ว่าเป็นปกกาตตะเป็นอาบัติรู้ว่าเป็นอาบัตินะไม่มีอันตรายรู้ว่าไม่มีอันตราย นะไม่มีอันตรายรู้ว่ามีอันตรายใครจะปิดนะแล้วก็ปิดไว้นี่มันมันเป็นลักษณะของการการปกปิดอาบัตถ้าหากว่าเราเป็นปกกกาตตะนี่เราก็รู้ว่าเราเป็นพิสูจน์ปกติอยู่แล้วก็ต้องอาบาัตเราก็รู้ว่าเป็นอาบาัตแล้วก็ไม่บอกใครนะเป็นอาบาัตรู้ว่าเป็นอ า, าัตไม่บอกใครโดยเฉพาะก็คือรู้ว่าเป็นอาัตสังขาพิเศษแล้วก็ไม่บอกใครก็เชื่อว่าเป็นการปิดนะ่ะ อ่าไม่มีอันตรายก็รู้ว่าไม่มีอันตรายค้าอันตรายในที่นี้ก็ไมี้อันตรายที่กล่าวไว้ในในอุโบโสถในเรื่องของอุโบโสถอันตรายสิบอย่างเอาเห็นทั้งกล่าวด้วยกับสนย่ ว, วาราโจรไฟน้ําคนผีสัตว์งูอา อ, อันก็อันตรายก็ได้แก่พระราชาเสด็จมาอันนี้ถ้าหากต้องอภิบาลแล้จะไปรีบบอกใครก็บอกไม่ได้จะต้องทาการต้อนรับเสด็จอย่างนี้นะราโจดไฟโจรมอพล้น แต่บอกใครก็ไม่ทันเพราะว่าจะเกิดอันตรายโจมมาปล้นก็รอให้ล่วงคืนไปก็ไม่ชื่อว่าเป็นการปกปิดเพราะถูกโจมต้นทุกไฟไหม้เผาวัดวาอารามก็จะต้องทําการดับไฟอย่างนี้ก็ล่วงคืนไปก็ไม่ชื่อว่าเป็นการปกปิดเหมือนกันหรือว่าน้ําท่วมน้ําหลากมาก็จะต้องหนีเอาตัวรอดอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสที่จะบอกใครได้เมื่อ ต้องอบัติก็ไม่เป็นไม่ไม่ถือว่าเป็นการปกปิดนะหรือว่าผีเข้าพิกูจนะ์ราจนไฟน้ําคนผีหรือว่าคนมามากก็เหมือนการที่มาคนมาเต็มวัดเลยไม่รู้ก็มาเพื่ออะไรอย่างนี้ก็ต้องเ อ, อกุลีกูจรในการที่จะรู้ว่าเขามาเพื่ออะไรแล้ะจะต้อนรับคนที่มามากก็การที่จะอ่าไปบอกพิสูจน์รูปใดรูปหนึ่งว่าต้องอบัตอย่างไรก็คงจะทําได้ยากอันนี้ท่านก็บอกว่าก็าเป็นอันตรายอันนึงที่เกิดขึ้น ถึงไม่บอกให้ล่วงคืนไปก็ไม่ใช่อว่าเป็นการปกปิดหรือผีเข้าพิสุจ์ดังที่กล่าวสัตว์งูอาอันหมายถึงสัตว์ร้ายเข้ามาจะเป็นเสือสิงห์กระทิงแรกเข้ามาอารวาสในวัดจะเป็นเสือดําเหมือนที่เราเคยมีข่าวก็ตามทีก็ถ้าล่วงคืนไปก็เออ่ไม่เป็นอาบัตรถ้าจะลงไปกระเสือมันจะกัดหรือว่าสัตว์เหล่านั้นมันจะทําร้ายนะและก็ไม้แต่งูงูร้ายเข้ามางูใหญ่เลื้อยเข้ามาก็เหมือนกัน ว่าเต็มวัดเต็มวานี่ก็ถือว่าเป็นอันตรายหรือว่าอาเกิดอาพาธหนักเจ็บคไายได้ป่วยขึ้นมาเราไปบอกไม่ไหวก็ไม่ถือว่าเป็นการปกปิดหรือเกิดอันตรายแกี่ยวกับพระมรดจนะเช่นว่ามีหญิงมาก็อยากกลมให้ศึกด้วยประการต่างๆหรือว่ามีอันตรายอย่างอื่นเกี่ยวกับกับพระมรดจเราหนีเอาตัวรอดก่อนยังไม่บอกใครเกี่ยวกับ การต้อางาดทาการเกษตรอันนี้ก็ไม่ชื่อว่าเป็นการปกปิดนะถ้าหากไม่มีอันตรายดังกล่าวอ่าอันตรายไม่มีเลยก็รู้ว่าไม่มีอันตรายแล้วก็ไม่บอกใครก็ชื่อว่าเป็นอันปกปิดแล้วนะและ้วก็ใครจะปิดก็ปิดไว้ยังไม่ชื่อว่าเป็นการปิดเมื่อปิดอาบัตแล้วก็จะต้องประพฤติวุฒิฐานวิธีโดยต้องการอต้องอยู่ปริวาสก่อนอยู่ครับใช้วันที่ปกปิด อาการปกปิดนี้จะจะอยู่เท่าไหร่อันนี้แล้วแต่วันปกปิดการปกปิดนั้นถ้าปกปิดไว้เอสิบวันก็ต้องอยู่สิบวันปกปิดเป็นเดือนหนึ่งก็ต้องอยู่เดือนหนึ่งเพื่อรับใช้วันที่ปกปิดนี้ฉะนั้นก็ต้องขอปริวาส ต, ต่อสงฆ์จะตัววักเป็นอย่างน้อยก็คือมีสี่รูปเป็นอย่างน้อยขั้นสองให้ปริวาสพิสูจนนั้นได้ชื่อว่าเป็นปริวาสิโกก็คือผู้ประพฤติปริวาส ก็จะต้องอยู่ปริวาทตามกาหนดนตามกำหนดที่ปกปิดไว้นั้นและต้องประพฤติปริวาสิกวัตนวัตเ่งครับมีอยู่เก้าสิบสี่ข้อด้วยกันซึ่งจะไม่พูดถึงเลยโดยรายละเอียดเพราะว่าเป็นเป็นธรรมะในชั้นตรีนี้ก็ไม่จำเป็นต้องรู้มากมายอะไรนักรู้พอสมควรส่วนรายละเอียดมันไปอยู่ในนักธรรมชั้นเอกซึ่งเราจะศึกษาในระดับต่อไปอีกในนักธรรมชั้นเอกนั้นชั้นนี้ก็จะบอกแตเพียงหัวข้อว่า อาจจะต้องปฏิบัติเคร่งครัดในปริวาสสิกขวัติ90 ข, ข้อละเมิดไม่ได้นะละเมิดไม่ได้ที่เมื่ออยู่ปริวาสครบตามกําหนดแล้วก็พึงขอมานัตต่อสงฆ์อีกอย่างน้อยสิ่งลูกนในขณะที่กําลังอยู่ปริวาสก็ดีหรือออกจากปริวาสแล้วเป็นมานัตตารหะคือผู้ควรมานัตก็ดีหรือในขณะที่กําลังประพฤติมานัตอยู่ก็กาตามนะ สงฆยังไม่อภานเพียงใดเกิดไปต้องอาบัตสังค า, าทิเศเข้าอีกในในระหว่างนั้นเรียกว่าต้องอันตราบัตเมื่อต้องอันตราบัตแล้วจะประพฤติต่อไปอีกไม่ได้จะต้องตั้งต้นประพฤติใหม่เรียกว่ามูลยะปฏติกัตสนามูลยะปฏิกัตสนะาตั้งต้นประพฤติใหม่เมื่อการตั้งต้นประพฤติใหม่นั้นต้องขอให้สงปฏิกัตสนาให้ก่อนแล้วจึงจะอะอยู่ประพฤติต่อไปท่านอยู่ประพฤติต่อไป ออยู่จะเป็นตอนปริวัติหรือมานั้นก็นแล้วแต่ก็ต้องประพฤติในถูกต้องตามระเบียบของพระวินัยอ่าเมื่อเราได้ขอมานันต่อสอง์ก็อยู่ร้านอีกหกราตรีครบหกราตรีก็ขอผ่านต่อสองทีนี้ก็เรียว่าเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องท้นจากอาบัตสังฆติเศษนั้นได้นะนี้อาบัตสังฆติเศษได้กล่าวแล้วว่าเป็นอาบัตหนะักเป็นครุกาบัติครุกาบัตเนี่ยมีอยู่สอง คืออัมบัตปาราชิกเป็นครูกาบัตเหมือนกันอบัตสังขาริเศกก็เป็นครูกาบัตอัมบัตหนักเหมือนกันแต่ว่าครูกาบัตที่เป็นปาราชิกนั้นเป็นครูกาบัตที่เป็นอะเตกิจชาแก้ไขไม่ได้ส่วนครูกาบัตที่เป็นอบัตสังขาธิเศกนั้นเป็นอัมบัตหนักที่แก้ไขได้เรียกว่าสเตกิจชาแก้ไขได้แต่ว่าแก้ไขได้ของสังขาธิเสกนั้นอาศัยสงเป็นใหญ่ ซึ่งได้กล่าวแล้วในเบื้องต้นว่าอาลังคาทิเศษนั้นเป็นชื่อของอาบัติคือความละเมิดนะความละเมิดมีสงในกรรมเบื้องต้นและกรรมอันเหลือสงเองเป็นผู้ปราบโทษให้อยู่กรรมสงเองเป็นผู้ระ ง, งับอาบัตินั้นฉะนั้นก็ต้องอาศัยสงทั้งิ้นทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนั้นอาบัตตัางกันกเศษ จ, จึงชื่อว่าเป็นครุกาบัตที่เป็นสเตติชา่าแก้ไขได้ และก็ในสังฆาฏิเศสนั้นก็มีคําหยาบคายอยู่หลายสิกขาบทด้วยกันอย่เช่นพิษุเ อ, อพูดเกี่ยวหญิงพูดให้หญิงบําร่อให้ผู้หญิงบำเรยตอนด้วยการชักสื่อให้หญิง เ, เ, เป็นผัวเมียกันอะไรก็าตามล้วนแต่เป็นคําหยาบอยู่หลายข้อที่เดียวนั่นเมื่อมีคําหยาบคายอยู่มากท่านจึงเรียกสังฆาฏิเศษว่าเป็นทุตถุนลาบัตคืออาบัตช่วยหยา เนี่ยป็นอบัตช่วยยาแล้วก็อบัตช่วยยกที่เป็นสังขาริเศตนี้จะพ้นได้ด้วยการอยู่กรรมท่านก็เรียกอาบัตสังขาริเศตว่าเป็นวุฒฐานคามินีแปลว่าพ้นได้ด้วยการประพฤติพุฒฐานวิถีนี่เป็นเรื่องของสังขาตทิเศตที่เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจและจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสมควรอถูกต้องตามสมควร อสังฆทิเศษก็พอจะเข้าใจนี่เราก็ไปศึกษาในเรื่องสิขาบทต่อไปก็คืออนยศอนยศสองอนยศนี้ก็ท่านแปลไว้สองอย่างสองในดีกันในที่หนึ่งบอกว่าเป็นชื่อของวิติกมะคือความละเมิดพระพุทธบัญญัติแปลว่าวิติกมะที่ไม่เนรในที่สองท่านว่าเป็นชื่อของสิขาบท แปลว่าวางอบัดไว้ไม่แน่คือไม่แน่อเนจตานี่ไม่แน่นิจตตาเปลว่าในอเนจตานี่แปลว่าไม่แปลว่าไม่แน่แต่ว่าเป็นชื่อของการละเมิดบัญญัติเหมือนกันแต่การละเมิดนั้นไม่แน่นะไม่แน่นอนว่าเป็นอะไรนะก็คือยังไม่แน่ลงไปและถ้าเป็นสิขาบทก็สิขาบทก็ปราบอบัดไว้ไม่แน่เหมือนกันไม่อวบัดอะไรกันแน่ เขว่าไม่แน่นอนบางทีก็ปาราชิกไก่เศษปรจชิตีว่ากันไปอย่างนั้นไม่แน่นอนเอาเมื่อไม่แน่นอนบัญญัติไม่ทําไมออันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่ไม่แน่นอนบัญญัติไม่ทมําไมท่านบอกบัญญัติไว้เพื่อเพื่อเป็นคู่มือของพระวินัยทรนนะเพื่อพิจารณาอาติกอาอนุวาถาธิกร อ, อันไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับผู้หญิง พราวิ้ัยยทนจะไดเะ้เป็นคู่มือในการที่จะวินิจฉัยพิจารณาอธิกรณ์เรื่องราวที่มีใครโจทย์ที่สูขขึ้นที่เรื่องเกี่ยวเรื่องกับผู้หญิงก็มาพิจารณากันได้มันเป็นคู่มืออย่างนี้นะเรียกว่าอานิยต์อนิยศน่ะนะแปลว่าไม่แน่คือไม่ได้ปรับอบัดแผนกใดแผนกหนึ่งไว้นะแล้วมีไว้ทําไมถามอย่างนี้แล้วก็อนิยต์ถึงว่าไม่ปรับอบัดแผนกใดแผนกหนึ่งไม้ก็จริงอยู แต่ที่มีไว้นั้นก็เป็นไว้เพื่อสําหรับเป็นคู่มือของพระวินัยธรสําหรับตัดสินอนุวาถาติกร อ, อันไม่แน่นอนที่เกี่ยวกับผู้หญิงก็คือการกล่าวโจทกันด้วยเรื่องของอาบัตนั่นเองอันในอนยศนี้ก็มีอยู่สองสิขาบทซึ่งก็ไม่มากนะักสิกขาบทที่หนึ่งว่าพิกุนเล้งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้ มาพูดขึ้นด้วยทำสามอย่างคือปาราชิตหรือสังขารติเศษหรือปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจำเพาะทำอย่างใดให้ปรับจำเพาะทำอย่างนั้นอืมและข้อสองวาอ่าภิกษุนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสอ ถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นด้วยธรรมสองอย่างคือสังขาธิเศษหรือป่าจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งพิกสุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจำเพาะธรรมอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นนี่พิจารณาดูทั้งสองสิกขากบทก็ล้วนแต่ไม่แน่ท้งนั้นเลยนี่เราก็มากำหนดเอาข้อที่เราควรกำหนดให้เกิดความเข้าใจ และก็ง่ายขึ้นก็คือลักษณะวาจาที่ควรเชื่ อ, อวาจาที่ควรเชื่อนั้นเช่นวาจาที่ควรเชื่อได้ของผู้ที่กล่าวกล่าวไว้สำหรับแสดงหลักฐานของผู้พูดจะให้ฟังเอาเป็นจริงได้เอาเป็นจริงได้อย่างไรและวิธีปรับโทษนั้นก็ก็คือว่าผู้พูดนั้นไม่ยันลงไปชัดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ให้ปรับตามปฏิญาของภิกษุข้อนี้ก็ควรถือเป็นแบบสำหรับตัดสินอธิกรณ์อันหาพยานไม่ได้และอีกนั้นหนึ่งก็คือผู้ถ้าผู้พูดนั้นยันลงไปชัดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแม้ภิกษุ่ไม่รับท่านให้ปรับตามคำของเข า, เาข้อหลังนี้ก็คือว่าควรถือเป็นแบบสำหรับตัดสินอธิกรณ์ตามรูปพิจรารณาและก็ควรฟังได้อย่างไรตามคาพยาน ในเมื่อจำเลยปฏิเสธข้อหาอันนี้ก็ลำบากใจสำหรับผู้ที่เป็นพระวินัยทรอยู่เหมือนกันถ้าจะปรับตามคำปดิญญาของที่สุก็นคนเราโดยความเป็นจริงแล้วก็ไม่อยากจะยอมรับความจริงเท่าไหร่เอ่อเกินมาเป็นปราชิกอาจจะไม่รับว่าเป็นปราชิกก็ได้หรือเป็นสังการพิเศษอาจจะไม่ยอมรับเป็นสังการพิเศษก็ได้นีและก็เป็นปราชิตีก็อาจจะไม่ยอมรับก็ได้ หรือบางคนก็อาจจะยอมรับเพราะมันาบาตรเบาหน่อยส่วนาบาตรหนักนี่ก็ข้างจะไม่ค่อยจะยอมรับเท่าไหร่เมื่อไม่ยอมรับเช่นนี้จะทะําทปฏิญาตามปฏิญญาของพิสูจน์ก็ยากอยูถ้าจะถือเอาสมัยครั้พุทธกาลที่พระพุทธองค์ทรงพระชนชีพอยู่นั้นก็ก็คงได้ในสมัยนั้นแต่สมัยนี้ก็คงยากเพราะสมัยนั้นน่ะผู้ใดละเมิดหรือทําผิดมาพระพุทธองค์ท่านทรงประชุมเรียกประชุมแล้วตรัสถามแล้วก็ พระทุกรูปพระทุกองค์ก็ต้องบอกความจริงกระตุ้นความจริงให้พระพุทธองค์ได้ทราบว่าได้ทําผิดอย่างนั้นจริงทำผิดอย่างนี้จริงทําไมพิสุที่ทําผิดจึงยอมรับก็เพราะว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นโลกาวิโูผู้รู้แจ้งโลกแม้ใครจะทําผิดหรือทําอย่างไรก็พระองค์ก็รู้อยู่แล้วแต่ที่ต้องถามเพราะเป็นธรรมเนียมที่จะต้องถามก่อนนาถาม่าเพื่อจะให้พิสุทั้งหลายที่มาประชุมนั้นได้ทราบกันทั่วถึง ท่าจะเรียกมาทำโทนเลยนั้นก็ทําได้แต่มันก็ถ้าจะพูดในปัจจุบันก็ค่อนข้างจะไม่คอ ย, อยุติธรรมแต่พระพุทธองค์นั้นทรงมีอมทรงยุติธรรมแน่แต่ว่าบางคนที่เป็นคนที่ยังมีกิเลสน่ะแ น, น่นก็อาจจะมองไปลักษณะว่าไม่ยุติธรรมเมื่ออาจจะเกิดอคติ อ, อะไรต่ออะไรก็ได้ฉเจ้าหลวก็ทรงถามก่อนถามผ่อนและวพิสูุที่ทํางปีก็ยอมรับโดยดีทุกคนก็ยอมรับทางนั้นทุกรูปก็ยอมรับทางนั้นทุกองคยอมรับทางนั้น แต่ว่าปัจจุบันนี้ถ้าหากประทําทผิดแล้วถ้าเกิดเรียกมาในถ้ากลางสงนี่ยากที่จะยอมรับคือไม่ยอมรับปราบเป็นจริงนั่นเองอันนี้ก็ยากเหมือนกันที่มันจะปรับอําบัอย่างไรก็พระวินัยทอนก็คงจะหนักใจเหมือนกันแต่ก็ต้องพิจารณาก็ได้กล่าวแล้วว่าในในข้ออีกข้อหนึ่งว่าถ้าหากว่าพยานนั่นที่ผู้ที่เคิที่เห็นนั้นอมีหลักฐานและก็บู้บงชัดแจ้งว่าได้ทําผิดอย่างนั้นจริงๆที่นั่นที่นี่ ระ บ, บุอะไรก็ต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งเพราะคนที่มากล่าวหาโจดว่าพระนั้นก็ไม่ใช่จะ ด, ด้วยความจริงใจเสมอไปบางคนก็ไม่พอใจหรือบางคนก็อาจจะขัดผลประโยชน์อะไรต้องการที่จะให้พระได้พ้นจากการเป็นพระไปก็อาจจะกล่าวหาหรือว่าโจดฟ้องไปในทางเสียหายก็ได้ฉะนั้นก็ต้องพิจารณาโดยละเอียดอีกเหมือนกันว่าควรเชื่อได้หรือไม่อย่างไรอันในครั้งสมัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติรัชกาบทนี้ขึ้นมานั้นก็ ผู้ที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นนั้นก็คือนางวิสาขาเพราะต้นบัญญัตินั้นนางวิสาขาได้เห็นการที่พระอุทัยพระอุทยีนี่ซึ่งเคยได้กล่าวแล้วว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะชอบในเรื่องของผู้หญิงและก็ทําอผิดในเรื่องของสีขาบทที่เกี่ยวกับผู้หญิงนั้นหลายสกขาบทโดยสังขารทเศษก็มีอนิยต์ก็มีอพระอุทยีองค์นี้ดังนั้พ น, นพระอุทยีอยงค์นี้เลยก็เป็นไปนั่งในที่รับเนี่ยกับ อผู้หญิงก็นางวิสาขามาเห็นเขาก็ตักเตือนก็ไม่ฟังการ น, นั้นก็จึงได้กราบถึงกล่าบทูมพระพุทธเจ้าให้บัญญัติแล้วพระองค์ก็ทรงบัญญัติสีขาวนี้ขึ้นมาอาสีขาบทนี้ขึ้นมาฉะนั้นนางวิสาขาซึ่งเป็นมหาวิชาการและเป็นพระโส ด, ดาบันแล้วจะพูดก็หกไม่ได้จะพูดบทไม่ได้จะพูดประคเป็นจริงั้นั้นในครัผู้จัดการอุบาสิกาที่มีความหน้าที่ควรเชื่อถือได้อันนั้นก็หมายถึงพระโสดาบานัน แต่ว่าปัจจุบันนั้นถ้าเกิดอุบาสิการหรือว่าผู้หญิงที่มากล่าวหานั้นไม่ใช่พระโสดาบันเราก็เชื่ อ, อยากนะไม่ใช่อมพระมาพูดเราก็คงจะเชื่ อ, อยากเหมือนกันเพราะว่าคนเราจิตใจมันมีกิเลสนะมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลง ม, ม, มีราคะมีโทสะมีโมหะดังนั้นก็การที่จะพูดจริงๆก็ฝังยากจะต้องอาศัยการพิจารณาตามสมควรเห็นเป็นอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องที่เอเกี่ยวข้องกับภิกษุที่ ลกล่าวไว้ในสิกขาบทที่หนึ่งแห่งอริยตไม่ได้ปรับอบัติอะไรแล้วแต่ว่าจะพิจารณาเห็นอย่างไรตามสมควรก็ปราบอบัตดอย่างนั้นไป อ, อทีนี้ในสิกขาบทที่สองสิกขาบทที่สองรองลงมาจากสิกขาบทที่หนึ่งนั้นก็ในกล่าวว่าพิกษรนั่งในที่รับรับหูกับหญิงสองต่อสองอันนี้รับหูที่รับมันมีสองอย่างนะที่รับคือรับตากับรับหู ที่ลับตานึงหมายถึงในที่ห้องที่มีที่บุงที่บังภิสุนั่งในที่ลับตาเช่นนั้นเนี่ยสองต่อสองเอ้คำว่าสองต่อสองเนี่ยฟังยากอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นสำนวนที่เราใช้กันมาฟังกันรู้เรื่องแต่ในบาลีไม่ได้กล่าวว่าอย่างนั้นแต่ว่าเอโกเอกาญาโหรหูหนึ่งต่อหนึ่งนะเอโกเอกาญโหแปล ว, ว่าหนึ่งต่อหนึ่งในที่ลับนั้น ก็หมายถึงว่าสองคนนั่งอยู่ในที่ลับภิกษุองค์หนึ่งและก็อผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ในที่ลับเช่นนั้นคือในห้องในที่กําบังมีฟ้าหรือไม่มีฟ้าอยู่ในถ้าอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าที่กําบังคนอื่นไม่เห็นได้นี่เรียกว่าที่อที่ลับตาหน้าที่ลับตาและก็ในที่ลับอย่างนี้อ่ะถึงจะ อรับอวบอะไรไม่แน่นอนในสี่ขาบทนี้แต่ว่าอับปัญจติไม่เปร่าไว้แน่นอนในสิ่ขาบทอื่นเช่นในสิ่ขาบทที่ที่สี่ที่ห้าแห่งอาเจนลกัวรักที่บทที่สี่ที่ห้าแห่งอาเจนละกะวรั ก, น, ะ ก, ะกนั้นก็กล่าวไว้ถึงว่าภิกษุนั่งในที่รับกับหญิงสองต่อสองหมายถึงรับตาเรีบหญิงสองต่อสอง ไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนเป็นปาจิตีและในสิ่ข้าบทที่ห้าก็เช่นเดียวกันนั่งในที่รับหูคือในที่กลางแจ้งกับหญิงสองต่อสองหรือหนึ่งต่อหนึ่งดังที่ว่าเนี่ยก็เป็นปารจิตีเหมือนกันเช่นนั่งในที่รับนี่จะนั่งไม่ได้ทําอะไรเลยนั่งเฉยเฉยนั่งอยู่ในที่เช่นนั้นเนี่ยเป็นอวบัตทั้งสิ้นแต่เป็นอวบัตที่ต่ำลงไปหน่อยหนึ่งนี่เคยมีอ่าผู้ถาม เขาบอกว่าเคยไปในที่เจริญในเมืองเนี่ยมาที่เข้าไปในกุฏิก็เห็นพระกับมาสตรีหรือผู้หญิงเนี่ยอยู่ในห้องสองคนอย่างเงี้ยนั่งคุยกันเนี่ยทําไมจะไม่เป็นอาจจะเป็นอ บ, บัตหรือก็มีเคยมีสมณีถามก็เคยสอนสมณีได้เคยสอนพระก็ถ้าว่าตามทฤษฎีไหนก็ต้องอ บ, บัดก็อันนี้จะหาได้ก็คงจะหาไม่ยากนักแต่ว่าในชนบทในที่เจรห่างไกลาจากความเจริญนั้นจะไม่ค่อยมีเพราะว่าผู้ที่ จะเข้าไปหาพระเนี่จะต้องมีมีคนไปอย่างน้อยสองสามคนจะไปคุยกับพระต่ออะไรต่ออะไรแต่ว่าในที่บางแห่งที่ไม่ได้ไปมากคนไปคนเดียวไปคุยกับพระอยู่ในห้องไอต่อะไ ร, อ, ะไรอันนี้เป็นการกระทําที่ไม่ถูกเป็นการผิดพระวินัย น, นะเพราะว่านอกจากการต้องอบวบพระแล้วก็ยังเป็นเหตุให้คนกล่าวหาหรืออาจเป็นเหตุให้คนที่มาเห็นถึงไม่กล่าวหาแต่ก็เสื่อมศรัทธาไม่เกิดความเลื่อมใสในศาสนาเพราะเห็นอาการที่ ออยู่อย่างนั้นมันไม่เหมาะสมแก่พิกษุขหรือไม่เหมาะสมแก่ผู้จะเป็นสมณะในสถานอยู่ในที่กําบังระหว่างบนึ่งต่อหนึ่งนั้นจึงไม่เป็นการสมควรนะั้เป็นที่รับตาในที่รับตานี่แหละถ้ามีคนเชื่อนได้มาพูดขึ้นไปทำสามอย่างปรปาริชิกสังฆาติเศสรหรือปจจิตีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็ต้องเกิดฟ้องร้องกันขึ้นมาก็ต้องเกิดเรื่องว่าอุ่นวายกันไปก็เสียหายาทั้งสองฝ่ายแต่ว่า พระจะเสียหายมากกว่าเพราะเป็นผู้ที่ไม่ควรจะกระทําอย่างนั้นแล้วก็อันนี้ก็ต้องระวังอยู่เหมือนกันและในที่รับหูหมายถึงอย่างไรรับตาได้กล่าวไปแล้วว่คือในที่กําบังในที่คนอื่นมองไม่เห็นส่วนที่รับหูนั้นหมายถึงที่กลางแจ้งแต่ว่าอยู่ห่างไกลาจากบุคคลนะอยู่ในที่ห่างไกลาจากบุคคลแต่อยู่ในที่กลางแจ้ง ในที่กลางแจ้งในที่สว่างเนี่ยนะอยู่ 1, นะุ่วมต่อหนึ่งใช้คําว่าหนึ่งต่อหนึ่งดีกว่านะก็อาจจะพูดคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยู่เฉยๆก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในลักษณะนั่งหรือในลักษณะนอนนี้ควรพิจรารณาครับนะถ้าหากว่านั่งเฉยๆหรือนอนเฉยๆไม่ทําอะไรเลยก็เป็นป่าจิตติอยู่แล้วนะตามหลักก็เป็นไปตีตามสิข่ขาบทที่อสีข่ขาบทที่ห้าแห่งอาจารละก็อาจารย์ละ ก, ก็ว่า ว่านั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองหรือว่าหนึ่งต่อหนึ่งเป็นปาจิตีถ้าหากว่านั่งไม่ได้พูดเป็นปาจิตีหรือไม่ได้คุยเป็นปัดไม่ได้คุยเรื่องเกี่ยวกับเป็นปาจิตีทีนี้ถ้าเกิดนั่งอย่างนั้นเกี่ยวอ่ะพูดเกี่ยวหญิงอย่างเงี้ยจะปรับปาจิตีได้ไหมอันนี้ต้องระดับสูงขึ้นไปอีกเพราะว่าในสิกขาบทที่อที่สามแห่งสังขารทิเศษที่เราเรียนกันมาแล้วนั้นก็คือว่าพิสูจน์มีความกำหนัดอยู่ พูดเกี้ยวหญิงต้องสังการิเศษฉะนั้นจะพูดในที่แจ้งหรือจะพูดในที่ไม่แจ้งอะไรก็แล้วแต่ถ้าพูดเกี้ยวในลักษณะของความรักเหมือนหญิงสาวชายหนุ่มหญิงสาวเนี่ยที่สุก็เป็นสังการิเศษอยู่แล้วนะอะส่วนอมีในสิขาบทที่หกแห่งมูสาวาธวะก็ได้กล่าวว่าที่สุนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกันกับผู้หญิงแม้คืนแรกก็เป็นป่าจิตตีอันนี้ฟังยากอยู่นะ คำว่านอนในชั้นหมยัยนอนไม่ทำอะไรนั้นะนอนด้วยกันในที่มุงที่บางเฉยเยไม่ทำอะไรสองต่อสองอีกเลยนะ่ะไม่ทำอะไรนั้นจะมีบางกับผู้หญิงอไม่ทำอะไรเป็นปาจติตีอันนี้หมายถึงนอนเฉยเฉยอ่าคำว่าเฉยเฉยนี่ก็มไาไันนิ่งเฉยเฉยแต่ว่านอนในที่มุงเฉย อ, อนิี่มงเฉยแล้วก็อ่อถ้าหากว่านอนในที่มุงอย่างนั้นในที่บางอย่างไม่มีใครเห็น ทำยุ่งกว่าเฉยๆก็เป็นอาบัติต่างพัตถุกแล้วแต่อาจจะเป็นปรัชชิกก็ได้หรืออาจจะเป็นสกัดนิเศษก็ได้แล้วแต่การกระทําเหล่านั้นอันนี้ฉะนั้นก็การอยู่ในที่มุงที่บางนั้นจึงไม่ควรโดนประกาศทั้งสิ้นถ้าจะอยู่ก็ต้องมีผู้อื่นที่เป็นชายอยู่ด้วยหรือว่ามีคนเห็นมากก็ไม่เป็นอะไรเงินฟ้าเราก็อันตรายอยู่เหมือนกันระหว่าบางทีก็เคยมีข่าวที่กล่าวหา ในลักษณะต่างๆบางทีผู้หญิงเองก็ใส่ลายพระอยู่เราก็เคยเห็นบุกบางทีก็แกล้งร้องโวยวายขึ้นมาหาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็พระก็เป็นอันตรายไปด้วยก็มีอยู่เหมือนกันไหลแห่งที่เราปรากฏอยู่ฉะนั้นกนะ็เราทั้งหลายที่กําลังศึกษานักธรรมเช้นตรีจะเป็นพระจะเป็นเนนก็ตามล้วนแต่เราก็เป็นผู้ที่มุ่งเหลืองข่มเหลืองซึ่งก็มีสีอันเดียวกันที่เราจะต้องรักษาให้มั่นในเรื่องของพระวินยัย เพราะว่าพระที่จะเป็นพระหรือเนรที่จะเป็นเนนอยู่ได้ก็ต้องอาศัยพระวินัยเป็นหลักสําคัญในการปฏิบัติถ้าขาดพระวินัยจะแล้วการเป็นพระก็เป็นอยู่ไม่ได้เป็นเนนก็เป็นอยู่ไม่ได้นั้นพระเนนที่จะเป็นอยู่ได้ก็อาศัยความเป็นผู้ยึดมั่นในพระวินัยเป็นหลักปฏิบัติอย่างจริงใจเมื่อเราปฏิบัติตามพระวินัยแล้วย่อมได้อานิสงค์คลึ่นเกิดความไม่ได้เกิดตืดไม่เดือดร้อนใจเป็นอานิสงค์ จะเข้าหมู่พิสูจผู้มีศิญญ์ก็องอาจไม่สะทกสะพานอามีความลกล้ากล้าในท่ามกลางอาบริษัทเพระรู้ว่าตรงพระพุทธ ด, ดีงามไม่อาจจักกลุ่มลงโทษตรงกันข้ามที่ย่อหย่อนในทางพระวิ น, นัยก็จะเข้าสู่หมู่สงฆ์ที่ไหนก็กระดากใจเกิดความร้อนใจในที่สุดก็ตนก็ตีเตียงตนเองได้แต่สําหรับวันนี้ก็อสิ้นสุดเวลาก็สิ้นสุดยุติลงแล้วก็อขอความสุขความสวัสดี จงมีแด่ท่านเพื่อนสหธรรมิกที่กำลังศึกษานักธรรมชั้นตรีอยู่ก็ปรารถนาจริงใดในการที่จะให้ได้ซึ่งความถูกต้องและก็ขอสิ่งนั้นจงสมเร็จดังความปรารถนาจงทุกประการ